วันนี้เป็นวันเสาที่สิบเก้ากันยายุนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวันที่มีพายุโซนร้อนพัดผ่านเข้ามา ในประเทศไทยจึงทำให้มีฝนฟ้าอากาศที่ชุ่มช่ำคือมีฝนตกแทบตลอดทั้งวันแต่ก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาที่แก่ก็ ที่ได้เดินทางมาเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้พัฒนาจิตใจของตน ให้เป็นจิตใจที่มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมีความดีมากขึ้นมีความไม่ดีน้อยลงไปตามลำดับเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถ ปรับปรุงจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราให้เป็นจิตใจที่เลิศที่ประเสริฐได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถยกระดับพัฒนา จิตใจของพวกเราทุกคนให้เป็นจิตใจที่เลิศที่ประเสริฐเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและจิตใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายจิตใจของพวกเราตอนนี้เป็นจิตใจของผูุ้ชน ส่วนจิตใจของพระพุทธเจ้าและจิตใจของพาอาาระอรหันตสาวกเป็นจิตใจของพระอาริยเจ้าพระอาริยบุคคลผู้ประเสริฐถ้าจะเปรียบเทียบจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนกับเพชรที่เพิ่งขุดขึ้นมาจากพื้นดินหรือเพชรเพชรที่ยังฝังอยู่ในดินอยู่ เพชที่ฝังอยู่ในดินนี้ไม่มีคุณค่าราคาใดต้องขุดเพชรที่อยู่ในดินนี้ขึ้นมาจากดินก่อนแล้วก็ต้องนำเอาไปชาระขัดสีชวีวันให้สะอาดหมดจดแล้วยังต้องมาเจรไนให้กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมา เป็นเพชรที่มีคุณค่าราคาอย่างมหาศาลนี่แหละคือจิตใจของพวกเราที่เป็นจิตใจของปุถุชนและจิตใจของพระพุทธเจ้าและพาาาระอรหันตสาวกเป็นจิตใจของพระาอาริยเจ้าผู้ประเสริฐผู้ทรงพระคุณนันประเสริฐ เป็นจิตใจเหมือนกันถ้าเป็นเพชรก็เป็นเพชรเหมือนกันต่างกันตรงที่เป็นเพชรที่ยังไม่ได้รับการชำระไม่ได้รับการเจรนยัยกับเพชรที่ได้รับการชำระและได้รับการเจรนายแล้วมีคุณค่าต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดิน จิตใจของปุถุชนกับจิตใจของพระอริยเจ้าก็เป็นจิตใจที่เหมือนกันแต่ต่างกันเหมือนกันกบฟ้ากับดินเพราะคุณภาพของจิตใจไม่เหมือนกันคุณภาพของจิตใจของปุถุชนนี้เกลื่อนเกลื่ออยู่กับความทุกข์ต่างๆนานาชนิด ความทุกจิตใจของพระ อ, อริยะเจ้าเป็นจิตใจที่เกือากลัวอยู่กับความสุขเพียงอย่างเดียว<ม>นี่คือจิตใจของพวกเราและจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระ อ, อรหันตสาวกต่างกันตรงนี้<ม>ต่างกันตรงที่สุขหรือทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเรา ต่างการที่ดีหรือชั่วที่มีอยู่ในใจของพวกเรากับของพระพุทธเจ้า mm. ของพระพุทธเจ้ามีแต่ความดีมีแต่ความสุข mm. ของพวกเรานี้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่ดีต่างๆ mm. แต่พวกเรานี้โชคดีที่ได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่เป็นเหมือน ช่างเจรนัยเพชรเรามีโอกาสที่จะเจรนัยจิตใจของพวกเราให้กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาได้เพราะเรามีผู้ชำนาญการเจรนัยจิตใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองผู้ที่จะมาเจรนัยจิตใจของเราให้กลายเป็นจิตใจของพระอริยเจ้าขึ้นมา จิตใจของพวกเราทุกคนนี้รอการเจรไนเท่านั้นถ้าได้รับการเจรไนได้รับการปรับปรุงได้รับการซักพ่อให้สะอาดบริสุทธิ์จิตใจที่ไม่สะอาดของพวกเราในตอนนี้ก็จะกลายเป็นจิตใจที่สะอาด เป็นจิตใจของพระ อ, อริยเจ้าขึ้นมามเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันในเวลาที่เรามีเวลาว่างถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆเช่นดินฟ้าอากาศแต่ความศรัทธาอันแรงกล้าของพวกเรานี่แหละที่จะเป็นตัวผลักดันให้จิตใจของเรา ได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้เอาคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเจรนายจิตใจของเราให้กลายเป็นจิตใจของพระอริยเจ้าขึ้นมาได้พวกเราทุกคนจิตใจของพวกเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นพระอริยเจ้าได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมาขัดขวางการเป็นพระอริยเจ้าของพวกเราได้ถ้าพวกเรามีจิตศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มั่นคงและมีความเพียรพยายามที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ รับรองได้ว่าจิตใจของเราจะได้กลายเป็นพระอริยเจ้ากันตามลำดับอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักอยู่ที่ความภาคเพียรพยายามของเราเป็นหลักอยู่ที่ความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักถ้าเราสามารถสร้างศรัทธาขึ้นมาได้ สร้างความเพียรขึ้นมาได้การเจรไนของจิตใจก็จะเริ่มดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องไปจนถึงขั้นสูงสุดของการเจรันคือขั้นของพระ อ, อริยเจ้าระดับที่สูงสุดคือพออาระอรหันตสาวกนี่คือสิ่งที่พวกเรา เข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเรามาเจรในจิตใจของเราที่ตอนนี้เป็นเหมือนเพชรที่เพิ่งขุดขึ้นมาจากดินที่ยังคลุกเคล้าอยู่กับสิ่งสกปลกที่อยู่ในดินภาพสกปลกต่างๆที่เราสามารถที่จะมาชำระ ให้ออกไปจากจิตจากใจของพวกเราได้ <Okay. S 1> แต่เราต้องทำหน้าที่ของเรา <Okay. S 1> เราต้องศึกษาวิธีขัดเกลาจิตใจของพวกเราวิธีชาระจิตใจของพวกเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลาย okay. เราก็ต้องฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสั่งคำสอนของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายผู้ที่ได้ชำระจิตใจขัดเกลาจิตใจของท่านจนเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งสโปรกต่างๆของจิตใจคือ กลสตัณหาโมหะอวิชชาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายจิตใจของท่านเป็นจิตใจที่ใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่าปารมังสุขขังบรมมะสุขทำไมถึงเรียกว่าบรมมะสุขทำไมไม่เรียกว่าสุขเหมือนอย่างที่เราพูดถึงความสุขต่างๆที่เรามีกัน เพราะความสุขต่างๆที่เรามีกันมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่เกิดแล้วก็ดับไปได้มาแล้วก็หมดไปเราจึงไม่ได้เรียกความสุขที่พวกเรามีกันนี้ว่าเป็นบรล ม, มาสุขบรลมะสุขนี้เป็นความสุขที่อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันที่จะเสือ่อมไม่มีวันที่จะหมด ไม่มีวันที่จะจากเราไปอยู่กับใจของเราไปตลอดเวลา<ม>และไม่มีความทุกข์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยต่างจากความสุขที่พวกเรามีกันมักจะมีความทุกข์ตามมาทีหลังเสมอความสุขที่ได้มาได้มาในเบื้องต้นไม่ช้าก็เร็วก็จางหายไป พอจางหายไปแล้วความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทุกครั้งเราจึงไม่เรียกความสุขที่พวกเรามีกันนี้ว่าเป็นบรมมสุขเราเรียกว่าลาบยศสรรเสริญสุขแต่ไม่สามารถเรียกความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว่าเป็นบรมมสุขได้เพราะบรมมสุขนี้ต้องเป็นสุขที่ไม่มีทุกข์ สุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่ออันแรงกล้าที่จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเวลาที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆถึงแม้จะมีฝนฟ้าอากาศที่ไม่อำนวย ไม่สะดวกต่อการเข้าหาก็ตามแต่ถ้าเรามีศรัทธาอันแรงกล้าแล้วแม้แต่ฝนฟ้าอากาศก็ยับยั้งเราไม่ได้ mm. เช่นมีญาติโยมท่านหนึ่ง mm. นั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่ท่ามกลางสายฝนอย่างไม่มีความรู้สึกสะทกสะท้านต่ อ, อน้ําฝนที่ตกลงมาเลยเพราะท่านอาจจะคิดว่า กำลังอาบน้ำก็ได้ <Yeah. S 2> อาบน้ำฟรีไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าประปา yeah. Yeah. แล้วก็เป็นน้ำธรรมชาติ <Yeah. S 2> ที่ตกลงมาจากสวรรค์ <Yeah. S 2> อาจจะคิดว่าเป็นการอาบน้ำมนต์ <Yeah. S 2> ของเทวดา <Yeah. S 2> หรืออาจจะคิดว่าเป็นการทดสอบจิตใจว่ามีศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ yeah. Yeah. ผู้ที่มีศรัทธาที่แรงกล้านี้ต้องปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงตัดไว้ได้คือกล้าที่จะสละทรัพย์ เ, ออเพื่อรักษาอวัยวะออกล้าที่จะรักษาอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตออและกล้าที่จะสละชีวิต เ, ออเพื่อรักษาธรรมออรักษาการปฏิบัติธรรมออให มีการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ที่จะเจรณาจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นี้จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรที่แก่กล้าและมีศรัทธาที่แน่วหนามั่นคงไม่ย่อท้อต่ออุปสตรรคต่างๆที่จะมาคอยขวางทางของการปฏิบัติ ดูพระบรมศาสดาของพวกเราเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงมีความเพียรพยายามอย่างแก่กล้าจนถึงก้าตั้งสัจจะตอนที่นั่งประทับอยู่ใต้ต้น้นใต้ใต้โคนต้นโพว่าต่อไปนี้จะนั่งอยู่ที่ตรงนี้บำเพ็ญกิตตภาวนา ไปจนกว่าจิตใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย <Yeah. S 1> ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากับร่างกายของพระองค์ <Yeah. S 1> ถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไป <Yeah. S 1> พระองค์ก็จะไม่ขยับลุกจากที่พับอันนี้เป็นอันขาด <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> จะลุกก็ต่อเมื่อได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว <Yeah. S 1> ได้วิมุตติ <Yeah. S 1> ได้ทำอันเลิศอันประเสริฐแล้ว ถ้ายังไม่ได้ทำอันเลิศอ <ho> ันประเสริฐก็จะนั่งภาวนาต่อไปจนกว่าจะได้ถ้าไม่ได้ก็ถ้าจะตายก็ให้มันตายไปแต่จะไม่ลุกขึ้นมาอย่างแน่นอนเนี่ยทรงกล้าเอาชีวิตเข้าแลกกับธรรมยอมสละชีวิตเพื่อธรรมเพราะธรรมนี่แหละที่จะทำให้จิตใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ชีวิตคือร่างกายของพวกเหล่านี้ไม่สามารถทำให้จิตใจของพวกเราหลุดพ้นจากกองทุกได้ต่อให้รักษาชีวิตร่างกายนี้ให้อยู่ไปยาวนานสักกี่ร้อยกี่พันปีก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกได้แล้วไปรักษามันทาไมนอกจากไม่ได้หลุดพ้นแล้วยิ่งกลับทำให้จิตใจ ติดอยู่กับกองทุกไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรามัวแต่ไปกังวลมัวแต่ไปห่วงมัวแต่ไปรักษาร่างกาย <Yeah. S 1> มันก็จะทำให้เรานี้ติดอยู่กับร่างกายไปไม่มีวันสิ้นสุด <Yeah. S 1> ถ้าร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ไปหาร่างกายอันให ม, หหม่มาแทนร่างกายอันเก่าเพราะการติดพันอยู่กับร่างกายของเรานี้ มันทำให้เราไม่สามารถอยู่ปราศจากร่างกายได้ <Yeah. S 1> พอมีโอกาสที่จะได้ร่างกายอันใหม่เมื่อไหร่ <Yeah. S 1> ก็รีบคว้าขึ้นม า, มาทันทีพอสูญเสียร่างกายอันนี้ไปชีวิตนี้ไปไปร่องรอยเป็นดวงวิญญาณอยู่ <Yeah. S 1> ก็เพื่อที่จะรอรับร่างกายอันใหม่ <Yeah. S 1> แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่ก็ ต้องมาทุกกับร่างกายอันใหม่เหมือนกับร่างกายอันเก่าต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายทุกกับการพัดพากจากกันอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือผลที่เกิดจากการรักการหวงชีวิตจะทําให้ต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดต่างจากผู้ที่ไม่อ ยึดติดกับชีวิตผู้ที่ยึดติดกับธรรมผู้ที่พร้อมที่จะเลือกระหว่างชีวิตกับธรรมถ้าพร้อมที่จะเลือกธรรมพร้อมที่จะสละชีวิตผู้นั้นก็จะได้วิมุตติได้หลุดพน้นออกจากกองทุกข์ของสังสารวัฏได้พะจะไม่มีความยินดีไม่มีความอาลัยอวรกับร่างกายกต่อไป ก็ได้สิ่งที่ประเสริฐที่ดีกว่าร่างกายมาทดแทนนั่นก็คือวิมุตติธรรม mm hmm. คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้รับบรารมังสุขขังจากวิมุตติธรรมนี้คือพระนิพพานผู mm ้ hmm. ที่ได้รับบาลมัสุขแล้ว mm hmm. ก็จะไม่ต้องมาหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไป ดังนั้นผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาจิตใจให้ขึ้นเป็นจิตใจของพระอริยะบุคคลจำเป็นจะต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปสละทรัพย์สละอวัยวะและสละชีวิตเพื่อแลกกับธรรมอันประเสริฐนี้แล้วสิ่งที่จะทำให้เราปฏิบัติ ได้ก็คือศรัทธาความเชื่อในความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและในความรู้ความสามารถของพระอริยาสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าที่เราเข้าหากันอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมออย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่ขวางกัน้น ฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมถ้ามาได้ถ้าเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก็พร้อมที่จะเข้าตลอดเวลา <_ d ans> เพื่อที่จะได้รับพระธรรมคำสอนอันประเสริฐเพื่อที่จะได้นำเอาไปเจรในจิตใจให้กายจากเป็นเพชรที่เพิ่งขุดมาจากดินให้กายเป็นเพชรน้ำหนึ่งอันประเสริฐ ที่ตั้งขายอยู่ตามร้านขายเพชรต่างๆเห็นราคาของเพชรไหมเม็ดนิดเดียวท่นเองราคาเป็นแสนนี่แหละคือผลที่เราจะได้ร mm ับจากการที <pineapple S 2> hmm. ่เรามีศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงแน่วหนาและมีความเพียรอย่าง แก่กล้าพร้อมที่จะปฏิบัติยกระดับจิตใจตลอดเวลาที่มีเวลามีโอกาสที่จะทำได้ <Yeah. S 2> แล้วพร้อมที่จะเพิ่มการปฏิบัติขึ้นไปให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อยเต็มที่ตลอดเวลา yeah. ปฏิบัติแบบเหมือนนักบวชปฏิบัติกันคือไม่มีเวลาใดที่ไม่มีการปฏิบัติยกเว้นเวลาที่พักผ่อนหลับนอนเท่านั้นนอกนั้นแล้วผู้ปฏิบัตินี้จะปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยแล้วทำที่จะปฏิบัติในเบื้องต้นก็คือสตินี่สตินี้จะทําให้ผู้ปฏิบัตินี้สามารถที่จะ เจรณายจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ทาให้ถ้าขาดสติแล้วจะไม่สามารถที่จะทำการเจรณายได้เพราะสตินี้จะเป็นเครื่องมือชิ้นแรกของการเจรณายเวลาจะเจรณายเพชรสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนก็คือต้องชะล้างก่อนต้องทำความสะอาด พวกดินต่างๆที่หุ้มห่อเพชรไว้ก่อนก็ต้องมีน้ำสะอาดที่จะมาล้างให้สะอาดก่อนพอสะอาดจากสิ่งสกปรกที่หุ้มห่อแล้วถึงจะใช้เครื่องมือชนิดอื่นต่อไปได้ใช้เครื่องขัดเครื่องเจลันเพื่อขัดให้เพชรนี้เงางามขึ้นมาได้นี่คือความ เพียนพยายามในการที่จะเจรันปรับปรุงจิตใจของพวกเราจากปุถุชนให้กลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเราต้องมีการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆคือทำชนิดต่างๆที่จะปรับปรุงที่จะขัดเกลา จิตใจของพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาได้รรมข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเจริญกันอยู่เรื่อยๆก็คือเมตตาธรรมการที่จะ <c oughs> พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นได้นี้ต้องมีเมตตาธรรมเป็นจุดเริ่มต้น ถ้าจิตใจปราศจากความเมตตาแล้ว mm. จิตใจจะหันไปหาสิ่งโสกปรกทั้งหลาย mm. คือความโหดร้ายทารุณ mm. ความโลภความโกรธความหลงต่างๆ mm. แต่ถ้ามีจิตใจที่มีความเมตตาแล้วจะเป็นจิตใจที่จะเข้าหาคุณธรรมความดีต่างๆต่อไปได้ ดังนั้นสิ่งแรกที่ชาวพุทธเรามักจะถูกสอนให้ทำกันก็คือให้มีความเมตตาต่อสัตว์ประสัตทั้งปวงด้วยการศึกษาวิธีสร้างความเมตตาขึ้นมาจากบทเมตตาภาวนาที่มีแสดงไว้ในหนังสือสวดมนต์สัเพสัตตาอเวราโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงอย่ามีเวรกันเถิดสเพส ต, ตาอภยาป ช, ชาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายท่องปวงจงอย่าเบียดเบียนกันเถิดอานิคาโหณตุจงอย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจเถิดสุขีอตานังปะริหารันตุจงมีสุขรักษาตนเถิด นี่คือเป้าหมายของความเมตตาคือการไม่มีเวรต่อกันละกันการไม่ทำลายการไม่เบียดเบียนกันละกัน <Yeah. S 1> การไม่ทำลายร่างกายและจิตใจของกันละกันและการให้ความสุขต่อกัน <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่ผู้ที่มีความเมตตาจะต้องทำให้ได้ yeah. จะต้องไม่จองเวรกันเวลาที่เกิดความโกรธขึ้นมาเวลาที่ถูกผู้อื่นเขาพูดหรือทำอะไรที่ทำให้เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมาต้องรีบให้อภัยให้ได้เพราะการให้อภัยนี้จะระงับการจองเวร น, นั่นเองเพราะเวร น, นี้ไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ถ้าไม่จองเวรจองกรรมก็จะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาราวีมาคุกคามเราสาเหตุที่พวกเรายังมีเจ้ากรรมนายเวรกันอยู่นี้ก็เพราะว่าเรายังไม่ให้อภัยเรายังจองเวรจองกรรมกันอยู่เวลาใครทํำละให้เราโกรธเราแค้นเราก็จะอาฆาตพยาบาท เราก็จะตอบโต้ทันทีเมื่อเราทาเขาเขาก็จะโกรธอาฆาตพยาบาทเราเขาก็เลยกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่ต้องการให้ใครมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเราก็อย่าไปจองเวรจองกรรมกับเขานี่นี่คือการมีความเมตตาในอันดับที่หนึ่ง คือต้องรู้จักการให้อภัยรู้เห็นให้เห็นคุณค่าของการให้อภัยว่าประเสริฐ ด, ดีกว่าการจองเวรกันการให้อภัยนี้จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธขึ้นมาภายในใจได้เราไม่ได้ให้อภัยเพื่อผู้อื่นเราให้อภัยเพื่อใจของเราเพื่อใจของเราจะได้สงบจะได้ไม่ทุกข์ เวลาที่เราจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทเนี่ยใจของเราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เป็นปกติจะรุวมร้อนจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราให้อภัยเขาได้ปั๊บใจเราจะเย็นขึ้นมาทันทีใจของเราจากใจที่จะเป็นมารจะเป็นยักษ์ก็จะกลับมากลายเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ ไม่จองเวรเป็นพระขึ้นมาทันทีท่านถึงเรียกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารคือการให้อภัยนี้แหละเรียกว่าเป็นการยอมแพ้เป็นการแพร้คือไม่ต้องการมีเรื่องมีราวกับผู้อื่นถึงแม้ว่าผู้อื่นเขาจะทำร้ายเราทำอะไรให้เกิดความเสียหายเราก็คิดว่ามันผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว แล้วกลับไปลบไปล้างมันไม่ได้แล้วออแก้วแตกแล้วจะไปให้เขามาเอาแก้วมาต่อให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว เ, ออเมื่อมันแตกแล้วก็บงอนิจจังไปว่า อ, อ, อยู่ในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้มีเกิดมีดับออออมีมามีไปมีได้มีเสียเมื่อมันเสียไปแล้วก็ไม่ต้องไป ไปตามหามันไปค้นหามันให้เนหน็ดเหนื่อยมันไม่กลับมาแล้ว<ด>เรามองไปข้างหน้าดีกว่ายังมีอะไรต่างๆดีๆอีกมากมายรอเราอยู่ทำไมจะมาเสียเวลากับมีเรื่องมีราวกับคู่อื่นทำไมเอาเวลาของเราไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราไม่ดีกว่าเลยดีกว่ามาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายต่างๆให้กับจิตใจของเรา ด้วยการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมร่างแค้นกันไปร้างแค้นกันมาแล้วมันจะไม่มีวันสิ้นสุดมันจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อการไปต่อไปอีกหลายภพหลายชาติเลยพระพุทธเจ้ากับเทวทัศนนี่ก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาเป็นหลายภพหลายชาติด้วยกันแต่ในภพสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่จองเวรท่านไม่ตอบโต้ ท่านไม่ทำอะไรกับเทวทัตนะเทวทัตในที่สุดก็เลยยอมรับความเมตตาของพระพุทธเจ้ามาขอขมาลาโทษก่อนที่จะถูกธรณีสูบไปความขอขมาลาโทษนี้เป็นการแสดงจิตสำนึกว่าตนเองได้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้วาย และจะไม่ทําอีกต่อไปพระพุทธเจ้าบอกว่าอา น, นิสงส์ของการขอกรรมลาโทษของเทวทัตนี้จะทําให้เทวทัตหลังจากที่ไปรับผลกรรมในนรกแล้วหลังจากออกจากนารกมาแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้บวชใหม่และได้บําเพ็ญจนได้ตัดสรุปเป็นพระปเจกพุทธเจ้าต่อไป เพราะจะไม่กลับไปทำสิ่งที่เลวร้ายที่เคยทำอีกต่อไป mm. นี่คือความหมายของการขอขมาลาโทษ mm. ไม่ได้ต้องการการให้อภัยจากผู้ที่เราไปขอขมาลาโทษแต่ต้องการไปแสดงจิตจิตสำนึกของเราให้แก่ผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายว่าต่อไปนี้หัวเด็ดตีนขาดอย่างไรจะไม่ทำร้ายคุณอีกต่อไป mm. Mm. อันนี้คือความหมายของการขอขมาลาโทษไม่ใช่ไปขอขมาลาโทษแล้วให้เขายกโทษให้กับเราโทษนี้ไม่มีใครยกโทษให้กับใครได้ทำบาปแล้วก็ต้องไปนรกไม่ว่าจะได้รับอภัยโทษหรือไม่ก็ตามก็ต้องไปนรกเพราะมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปเปลี่ยนแปลงได้ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่การขอขมาลาโทษนี้เพื่อเป็นการประกาศให้ผู้ได้ทราบถึงจิตสำนึกที่ดีว่าได้กระทำผิดที่ร้ายแรงที่มีโทษมีภัยกับตนเองและกับผู้อื่นจะไม่ทำอีกต่อไปในอนาคตเนี่นี่คือ <c oughs> การขอขมาลาโทษที่แท้จริง ถ้ามีความจริงใจต่อการขอการรลาโทษเนี่ยก็จะไม่กลับไปทำบาปซ้ำซากอีกต่อไปเหมือนกับพระเทวทัตกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ไปมีเวรมีกรรมกับใครอีกต่อไปมุ่งไปสู่การหลุดพน้นจากกองทุกขมุ่งไปสู่การ ส, สรัตรุเป็นพระพุทธเจ้านี่คือ <c oughs> ตัวอย่างของเรื่องของการ ไม่จองเวรจองกรรมกันการจองเวรจองกรรมนี้เป็นโทษกับตนเองและกับผู้ที่เราไปจองเวรจองกรรมตนเองจิตใจก็รุ่มร้อนไม่มีความสุขผู้ที่เราจองเวรจองกรรมก็จะต้องเดือดร้อนเพราะเราจะไปทำร้ายเขาอีกแล้วเขาก็จะกลับมาจองเวรจองกรรมเราอีกทำร้ายเราอีกมันก็จะเป็นเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียว ตอนต้นก็เรื่องเล็กน้อยเรื่องแค่เ <c oughs> หยียบเท้ากันหน่อยพอเหยียบเท้ากันว่ากันไปว่ากันมาว่ากันไปว่ากันมาก็เดี๋ยวก็ตีกันไปตีกันมา <c oughs> เดี๋ยวก็ฆ่ากันในที่สุด <c oughs> แต่ถ้าให้อภัยได้ตั้งแต่เบื้องต้นดับไฟเสียแต่ต้นลมพอจะเริ่มโกรธแค้นโกรธเคืองปับ๊บในใจเราต้องพูดทันทีว่าเฮ้ย hey, ไม่เอาเรื่องนะ ผ่านไปแล้วแล้วไปแล้วเขาเหยียบเท้าเราก็เรื่องของเขาเขาจะดูถูกเราก็เรื่องของเขาเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เรื่องของเขาเรื่องของเราก็คือเราต้องไม่ไปโกรธเขาเราต้องไม่ไปจองเวรจองกรรม <c oughs> เพื่อที่จะดับไฟของความโกรธที่เกิดขึ้นในใจของเราให้ดับไปและไม่ไปก่อเวรก่อกรรมกับกับเขาก็จะได้ไม่กลับมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราต่อไป นี่คือข้อที่หนึ่งของการมีความเมตตาพระพุทธเจ้าบอกเราต้องให้อภัยเราอย่าไปมองเขาเวลาให้อภัยเรามองเราเราเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการให้อภัยเราไม่ได้ไปมองเขาว่าเขาได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างไรไม่สนใจสนใจอยู่ที่เราเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์ถ้าเราให้อภัยได้หรือถ้าเราไปทําร้ายเขาทําให้เขาเสียหายเราก็ต้องไป ขอขมาลาโทษเขาสแสดงความรับผิดชอบว่าเราได้ทำผิดต่อเขาและจะไม่ทำแบบนี้อีกต่อไปถ้าเราไม่มีความมั่นใจอย่าไปขอขมาลาโทษเพราะเป็นการหลอกลวงขอขมาลาโทษไปเดี๋ยวข้างหน้าเจอกันก็ทุบหัวกันอีกตีหัวกันอีกถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปขอขมาลาโทษเราต้องมีความมั่นใจว่าเราเห็น โทษของการกระทําผิดของเราและเราจะไม่ต้องการที่จะทําอีกอย่างแน่นอนแล้วเราก็ไปบอกเจตนาณ์ของเราให้เขาทราบส่วนเขาจะยินดีหรือไม่เขาจะให้อภัยเราหรือไม่นี้เราไปบังคับเขาไม่ได้เราไม่ต้องการให้เขาอาภัยเราให้เราเราต้องการที่จ ะ, ะประจานตัวเราประกาศให้ผู้อนได้ทราบว่าเรา ยอมรับผิดในการกระทําของเราและจะไม่กระทาความผิดแบบนี้อีกต่อไปนี่คือการไม่จองเวรกันจะทำให้เรานี้ไม่มีเวรกรรมกับไม่มีเจ้ากรรมในเวรไม่มีศัตรูข้อที่สองไม่เบียดเบียนกัน ก็เวลาทำอะไรเราทุกคนต้องมีการกระทำกันในการเลี้ยงชีพในการรักษาชีวิตของเราในการแสวงหาความสุขแสวงหาอะไรต่างๆของเราเขาขอให้ทำา ข, าขอให้ทไปโดยที่ไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าการเลี้ยงชีพของเราหรือการแสวงหาความสุขของเรานี้ ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเราก็ควรจะระ ง, งับไม่ควรจะกระทำเช่นถ้าเราทำอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายอย่างนี้ก็ไม่ควรทำถึงแม้เป็นการเลี้ยงชีพของเราแต่ก็เป็นการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นก็ต้องระมัดระวังว่าการกระทำของเรานี้จะไม่ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อน แล้วก็อย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาต้องทุกข์ทางร่างกายหรือทางจิตใจทุกข์ทางร่างกายก็อาจจะไปทุบตีเขาทางจิตใจก็อาจจะไปพูดอะไรที่ทำให้เขาไม่สบายใจอันนี้ก็อย่าทำคิดถึงหัว อ, อกเขาหัว อ, อกเราเวลาเราทุกข์กายทุกข์ใจนี้มันไม่ดี เราก็อย่าไปสร้างความทุกข์กายทุกข์ใจให้แก่ผู้อื่นแทนที่จะสร้างความทุกข์กายทุกข์ใจควรจะไปสร้างความสุขให้กับผู้อื่นถ้าเขาต้องการความสุขแล้วเขาไม่สามารถหาได้เราพอที่จะหาให้เขาได้เราก็หาให้เขาไปเช่นเขาขาดแคลนอะไรเราก็ไปช่วยเหลือเขาให้สิ่งที่เขาขาดแคลน มันก็ทำให้เขาเกิดมีความสุขขึ้มนมาการให้ความสุขกับผู้อื่นมันก็จะทำให้เราเกิดความสุขภายในใจเกิดขึ้นกับเราเราไม่ต้องการผลตอบแทนจากการให้ความสุขแก่ผู้อื่นเพราะเราจะได้ความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเราได้ผลที่เกิดขึ้นในใจของเราจากการทำความดีอยากการให้ความสุขแก่ผู้อื่นเวลาเราเห็นเขาได้รับความสุขจากการกระทาของเรา ใจของเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาทันทีนี่คือความมีความเมตตาถ้าเราสามารถทำสี่ประการนี้ได้คืออเวลาหนตุไม่จองเวรกันอัพยาปชาหนตุไม่เบียดเบียนกันอานิคาหนตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันสุขีอัตานังปริหัดรันตุ ให้ความสุขต่อกันเราจะเป็นจิตใจที่เบิกบานเป็นจิตใจที่ผ่องใสเป็นจิตใจที่มีแต่ความสุขดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงอานิสงส์ของการให้ความเมตตากับผู้อื่นว่าจะทำให้มีความสุขใจทั้งในขณะที่ตื่นและในขณะที่หลับ เวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะไม่มีใครมาทำร้ายด้วยอาวุธหรือยาพิษจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะเวลาจะทำใจให้สงบเวลาที่จะพัฒนาจิตใจให้เป็นเพชรให้เป็นอริยบุคคลขึ้นมา ใจก็จะสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแล้วถ้ายังไม่ได้ไปถึงขั้นพระอริยบุคคลถ้าต้องเสียชีวิตไปก่อนก็จะได้ไปเกิดในสุคติได้เป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ <c oughs> นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีความเมตตา แต่ยาวไปเข้าใจว่าเวลาเราสวดบทแผ่เมตตานี้ว่าเราได้แผ่เมตตาแล้วเรายังไม่ได้แผ่เมตตาการสวดบทแผ่เมตตาเป็นการเรียนให้รู้ว่าวิธีแผ่เมตตาแผ่อย่างไรเพื่อที่เวลาที่เราจะต้องแผ่เราจะแผ่ได้การจะแผ่เมตตาต้องมีผู้มารอรับความเมตตาจากเรา ไม่ใช้นั่งแผ่คุณอยู่คนเดียวไม่มีคนรับเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทั้งจะทั้งผู้ให้และผู้รับเนี่ยต้องมีผู้รับการจะแผ่มเมตตานี้ต้องเวลาที่เราพบปะกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่เป็นพวกกายทิพย์ทั้งหลายเราต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกัน เบื้องต้นก็แผ่ด้วยการให้ความสุขกับเขาด้วยการต้อนรับเขาแสดงความยินดีที่ได้พบปะกับเขาถามสารทุกข์สุขจีบต่างๆแล้วถ้าเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเขาไปอันนี้แหละเป็นการแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดบทแผ่เมตตาดังที่ ญาติโยมส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่านั่งสมาธิเสร็จไหว้พระสวดมนต์เสร็จต้องแผ่เมตตาตอนนั้นไม่ได้แผ่เมตตาตอนนั้นเป็นการทบทวนวิธีแผ่เมตตาว่าต้องแผ่อย่างไรต้องเอาเวลาโหนตุต้องไม่จองเวรกันต้องไม่เบียดเบียนกันต้องไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันต้องให้ความสุขต่อกันอันนี้เป็นการทบทวน เพราะถ้าไม่ทบทวนเราก็จะลืมได้เหมือนเรียนหนังสือถ้าเราไม่คอยทบทวนเวลาไปทำข้อสอบก็จะสอบไม่ได้เพราะจำไม่ได้แต่ถ้าเราหมั่นทบทวนอยู่เรื่อยๆเวลาเราไปทำข้อสอบก็จะทําได้อย่างง่ายดายเช่นพอเราไปมีปัญหากับใครปับ๊บจะไปคิดล้างแคนเขาปับ๊บ สับเพสัตตาเวลาหอนตกก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีว่าทำไม่ได้นะเราต้องการแผ่เมตตาไม่ใช่หรอถ้าเราต้องการแผ่เมตตาเราก็อย่าไปจองเวรกันให้อภัยเขาไปนะีอันนี้แหละคือประโยชน์ของการสวดบทแผ่เมตตาเป็นการทําการบ้านเป็นการทบทวนวิธีให้สอนเราให้รู้ว่าวิธีที่จะแผ่เมตตา แผ่ได้อย่างไรบ้างถ้าไม่ทำการบ้านพอถึงเวลาโกรธขึ้นมาจะลืมพอลืมปั๊บธรรมชาติของใจที่ยังมีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาอยู่นี่ก็จะคิดตอบโต้ทันทีจะร่างแค้นทันทีจะจองเวรจองกรรมกันทันทีแต่ถ้ามีการทบทวนวิธีแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ พอ เ, เกิดความโกรธเกิดความแค้นขึ้นมาพอจะจองเวรจองกรรมกันปั๊บก็ให้อภัยทันที <Yeah. S 1> นี่คือการสวดบทแผ่เมตตาจึงเปรียบเหมือนกับการทําการบ้าน <Yeah. S 1> ยังไม่ได้ทําข้อสอบ <Yeah. S 1> จะสอบได้หรือสอบตกนี้ต้องเวลาไปเข้าห้องสอบห้องสอบของพวกเราก็คือเวลาอยู่ในเหตุการณ์ที่ ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็จะดูคอยสังเกตดูว่าตอนนี้เราแผ่เมตตาหรือเปล่าเราหน้ายักหน้ามาหรือว่าเราหน้ายิ้มแย้มเจอใครก็ยิ้มแย้มทักทายกันไปถามสาวาทุกสุขดิบหลือเจอกันก็หน้าบึ้งตึงเหรือถ้าเจอคนที่เคยเกลียดเคยชังก็ลุยเลยก็มี ด่าเลยก็ได้พูดอะไรก็ได้ทำอะไรทร้ายเขาได้ก็ทำํำถ้าอย่างนี้ถือว่าสอบตกต่อให้สวดบทแผ่เมตตาไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร<ม><ม>เวลาสวดบทแผ่เมตตานี้ต้องเอามาจดเอามาจําไว้ในใจว่าต่อไปนี้เราจะต้องฝึกต้องหัดให้อภัยให้ได้ไม่ว่า จะเสียหายเดือดร้อนมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปก็แล้วกันชดใช้กรรมเก่าไปก็แล้วกันสิ่งที่เราสูญเสียไปความเสียหายที่เราได้รับนี้ก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมของเราไปถ้าเราคิดได้เพียงแค่นี้เราก็จะระ ง, งับการจองเวรจองกรรมกันได้ ระ ง, งับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปก็ได้ถ้าเราไม่ระ ง, งับการจองเวรเดี๋ยวไปมีเรื่องกับเขาเดี๋ยวดีไม่ดีก็ถูกเขาฆ่าตายก็ได้หรือถ้าเราฆ่าเขาตายเราก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆหรือไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะถูกจับหรือถูกเขามาจองเวรมาล้างแค้น mm hmm. ชีวิตจะก็เลยกลายเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขไม่เป็นปกติธรรมดา แต่ถ้าเราไม่จองเวรได้ปั๊บชีวิตของเราก็ดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหากับใครจึงต้องเห็นคุณค่าของการให้อภัยการไม่จองเวรว่าเป็นประโยชน์กับเราไม่ใช่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นผู้อื่นเขาอาจจะได้รับประโยชน์แต่มันเป็นผลพลอยได้ผลหลักผลที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นกับเราจะทำให้เรานี้รักษา ความเป็นปกติสุขของเราได้ไม่ต้องไปอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆนหรือไม่ต้องไปติดคุกติดตารางหรือไม่ต้องไปรับโทษประหารชีวิตถ้าเรารู้จักให้อภัยนะ <Yeah. S 1> แล้วเราจะได้รับอนิสองส์อย่างที่ได้พูดไว้ในเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าผู้ที่มีความเมตตาจะอยู่เป็นสุข ตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุข <Yeah. S 2> นอนหลับไม่ฝันร้าย <Yeah. S 2> จะไม่มีใครมาทําร้ายชีวิตทําลายชีวิตด้วยยาพิษหรืออาวุธ <Yeah. S 2> จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย <Yeah. S 2> จะมีเทวดาคุ้มครองรักษา <Yeah. S 2> เวลาฝึกหัดจิตใจให้สงบก็จะสงบได้อย่างง่ายดาย <Yeah. S 2> และเวลาตายไปถ้ายังไปไม่ถึงระดับของพระอริยบุคคล ก็จะได้ไปสู่สวรรค์สู่สุคตินี่คือทำอันต้นที่จะเป็นเหมือนกับรากฐานของการสร้างจิตใจให้เป็นจิตใจของพระอริยเจ้าขึ้นมาได้ผู้ที่ปรารถนาการพัฒนาขัดเกาจิตใจปรับปรุงจิตใจให้เป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นจิตใจที่มีคุณค่ามหาศาล ดูดูจิตใจของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จิตใจของพระอานนทแต่สาวกแต่ละพระองค์นี้ท่านมีคุณค่าต่อสัตวโลกมากน้อยเพียงไรถึงแม้จะจากพวกเราไปถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็ตามพระคุณของท่านก็ยังคุ้มครองพวกเราอยู่จนถึงบัดนี้และความรักความเคารพในตัวพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคน เพราะความเลิศความประเสริฐที่ได้ที่เกิดจากการปรับปรุงขัดเกลาจิตใจของพระพุทธเจ้าเอง mm hmm. ให้กลายจากเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะขึ้นมาให้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า mm hmm. ผู้เป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย mm hmm. mm hmm. ผู้ที่นำพาสัตว์โลกให้ออกจาก โลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกจากสังสารวัตรออกจากไตรยพบได้ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถที่จะทําหน้าที่นี้ได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่หลังจากที่ได้ค้นพบทางออกแล้วก็สามารถสอนให้ผู้อื่นได้พบทางออกและได้ออก แล้วหลังจากที่ได้ออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็สามารถมาทำหน้าที่สั่งสอนผู้อื่นแทนพระพุทธเจ้าได้ต่อไปเราจึงมีผู้ที่มาคอยสอนคอยพาเราให้ออกจากกองทุกของสังสารวัฏมาได้จนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ามีผู้ที่มีศรัทธาที่แรงกล้าต่อ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลังจากที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมมันประเสริฐของพระพุทธเจ้าลายก็เกิดความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามกําลังที่มีอยู่เริ่มต้นจากกําลังที่มีอยู่มีเท่าไหร่ก็ทําอย่างเต็มที่แล้วก็ค่อยพัฒนากําลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ยิ่งพัฒนายิ่งปฏิบัติกำลังก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> แล้วก็จะทำให้สามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นของการปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆไปจนถึงขั้นสูงสุดได้ <Yeah. S 1> ถ้ามีความเพียรที่ต่อเนื่องมีความเพียรที่ไม่ย่อท้อเหมือนวันนี้ถึงแม้ฝนฟ้าจะตก ก็ยังมีความเพียรพยายามที่จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าอยู่ในขั้นศึกษาก็เข้ามาฟังเทศฟังธรรมถ้าอยู่ในขั้นปฏิบัติก็นั่งปฏิบัติไปตามกําลังอันนี้แต่ละท่านแต่ละคนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตามตอนของตนเองเพราะจิตใจของแต่ละท่านนี้มีภูมิจิตภูมิธรรมมาไม่เท่ากัน เพราะในอดีตชาติที่ผ่านมาก็อาจจะได้สร้างธรรมต่างๆที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าในอดีตมาก่อนและได้เพียรพยายามสร้างธรรมต่างๆขึ้นมาฉ้นเวลาที่มาเกิดในภพนี้การปฏิบัติของแต่ละท่านจึงไม่เท่าเทียมกันบางท่านก็สามารถปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ บางท่านก็ยังปฏิบัติทำขั้นสูงไม่ได้บางท่านยังปฏิบัติไม่ได้เลยก็มีก็ต้องอาศัยการศึกษาการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติไปก่อนแล้วก็ค่อยมาหัดทําเบื้องต้นนี้ก็ทำขั้นแรกนี่คือความเมตตาไปก่อนพยายามเจริญพยายามสอนใจให้ไม่จองเวรกันไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันให้ความสุขต่อกันทำแล้วต่อไปจะมีกําลังที่จะทําขั้นที่สูงต่อไป<ม>เพราะจะต้องใช้เครื่องมือหลายชนิดด้วยกันในการที่จะปรับปรงุงหรือขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับช่างเจรนายเพชรเนี่ยถ้าไปดูเขาเจีรนายเขาจะมีเครื่องมือหลายชนิดด้วยกัน ไม่ใช่มีเครื่องมืออย่างเดียวต้องมีหลายชนิดด้วยกันเขาก็ต้องทำไปตามขั้นตามตอนของเขาการตอนของการขัดเกลาจิตใจในขั้นแรกนี้ก็คือการสร้างความเมตตาขึ้นมาในจิตใจเมื่อมีความเมตตาแล้วก็พร้อมที่จะทำขั้นที่สองคือการทำทานการให้การแบ่งปัน ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีเกินความจำเป็นเงินทองนี้มีไว้เพื่อรักษาชีวิตร่างกายของเรานี้เท่านั้นเองให้เราอยู่อย่างปกติสุขไม่ทุกข์ยากลาบากเดือดร้อนแต่เงินทองนี้ไม่สามารถเนรมิตความสุขต่างๆที่เราต้องการได้ความสุขต่างๆที่เราเนรมิตด้วยเงินด้วยทองนี้มันเป็นความทุกข์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเป็น ความสุขที่อําพรางความทุกข์เนี่ยความสุขที่เราได้จากการใช้เงินใช้ทองไปซื้อไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นการมันความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์ไว้ <Yeah. S 2> ทุกครั้งที่เราได้อะไรมาที่ให้ความสุขกับเรานี้เรากำลังได้ความทุกข์มาเพียงแต่ว่ามันยังไม่แสดงตัวมันขึ้นมาเท่านั้นเอง เป็นเหมือนกับความหวานที่เคลือบยาขมนี่เวลาอมเข้าไปใหม่ๆมันก็หวานพอมันละลายหมดแล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่ความขมความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในเบื้องต้นมันก็จะหวานเจี๊ยบแล้วต่อไปมันก็จะค่อยๆจางหายไปจางหายไปแล้วต่อไปสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา กลับกายมาให้ความทุกข์กับเราโดยที่เรา <c oughs> ไม่คาดฝันนี่คือธรรมชาติของความสุขที่เราหากันด้วยเงินด้วยทองฉะนั้นอย่าไปใช้เงินทองเพื่อไปหาความสุขต่างๆเอาไว้ใช้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงชีวิตของเราเพื่อให้เราได้มีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะได้เอามาใช้ในการ พัฒนาหรือขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดให้สูงขึ้นดีกว่าด้วยการทำทานทำทานก็คือถ้าเรามีพอแล้วถ้ามีมากกว่าที่เราจะใช้ได้แล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือใครก็ได้ทานแปลว่าให้การให้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้กับพระให้กับ คนนั้นคนนี้ให้ได้กับทุกคนถ้าศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ท่านสอนให้ให้บิดามารดาให้ให้เลี้ยงดูบิดามารดาก่อนแล้วก็สงเคราะห์ญาติพี่น้องถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็ต้องถ้าเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ต้องช่วยเหลือไป <c oughs> นอกกนั้นก็ให้ไปช่วยเหลือกับ บุคคลที่มีความสำคัญต่อเราก่อนมีคุณประโยชน์กับเราเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ของเรา <c oughs> ที่จะให้ความรู้กับเราในการที่จะทาใหก้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเราก็ต้องสนับสนุนรักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้อยู่ไปได้นานๆ ถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขาดแคลนอะไรเราก็ต้องเข้าไปดูแลกัน <c oughs> ตามความเหมาะสมตามความจำเป็น <c oughs> นอกจากนั้นถ้ายังมีเงินเหลืออยู่ก็เอาไปทำประโยชน์กับผู้อื่นต่อไปจะทำทางโรงพยาบาลก็ได้ทางโรงเรียนก็ได้ทางสถานสงเคราะห์ต่างๆก็ได้จะช่วยเืช่วยเหลือสัตว์ชนิดต่างๆก็ได้ ทำเหล่านี้เรียกว่าทานคือการให้การแบ่งปันความสุขที่เรามีมากเกินกว่าที่เราจะใช้ได้เอาไปให้ผู้อื่นแล้วเราจะได้ขัดเกลาจิตใจของเราการให้ทานจะลดความตนนีจะลดความโลภในการอยากได้เงินทองจะทำให้เราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทอง เราจะได้มีเวลาที่จะไปขัดเกลาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มากขึ้นต่อไป <c oughs> <c oughs> นอกจากทานแล้วพอเราทำทานได้แล้วเราก็จะรักษาศีลได้ศีล <c oughs> ก็มีไว้เพื่อที่หนึ่งไม่ไม่ไปทางให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนการรักษาศีลก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อืน่นไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อืน่น <c oughs> แล้วก็จะเป็นการรักษาจิตใจของเราให้ปลอดภัยด้วยถ้าเราไม่ทำบาปจิตใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปจิตใจเราก็จะเป็นปกติจิตใจที่เป็นปกติก็จะสามารถที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปได้ถ้าจิตใจยังวุ่นวายยังทุกข์กับบาปที่ทำอยู่จะไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปทำ ความดีเพื่อไปพัดขัดเกาวจิตใจที่สูงกว่านี้ได้เพรน้นก็ต้องทำทานให้ได้ก่อนทำทานได้แล้วก็จะรักษาศีลได้รักษาศีลห้าได้แล้วก็ให้ไปรักษาศีลแปดที่เรียกว่าเป็นการเจริญเนคข ม, มะ mm hmm. การปฏิบัติเนคข ม, มะก็คือการละเวน้นการหาความสุขทางกรรมคุณทั้งห้า คือตาหูจมูกลิ้นกายคําว่าเ น, น่ฆมานีแปลว่าการออกจากกาม <c oughs> การไม่แสวงหาความสุขจากกามคุณทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> เพราะการหาความสุขจากกรรมคุณทั้งห้านี้จะทําให้จิตใจเศร้าหมอง <c oughs> จะไม่ทายทําให้จิตใจผ่องใสสะอาด <c oughs> เพราะยังมี กิเลสตัณหาคือการฉันทะที่จะมาคอยอทำให้จิตใจนี้ไม่สะอาดก็ต้องกำจัดด้วยการถือเนคขมะปฏิบัติเนคขมะเมื่อได้เนคขมะแล้วก็จะมีเวลาที่จะไปทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นกลางได้ทำให้จิตใจปราศจากความโลภความโกรธความหลงได้แบบชั่วครั้งชั่วคราว ก็คือการเจริญอุเบกขาบารมีหลังจากที่ถือศีลแปลดได้ก็จะมีเวลาไปเจริญอุเบกขาบารมีที่เกิดจากการฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบ <c oughs> ให้เป็นฌานขึ้นมาพ <c oughs> อได้ฌานแล้วจิตก็จะได้อุเบกขาใจจะเฉยเฉยจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเวลาเห็นอะไรก็เฉย ใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปทำอะไรที่จะมาทำให้จิตใจเศร้าหมองหรือเสือ่อมเสียแต่เป็นอุเบกขาแบบชั่วคราวออกจากสมาธิก็จะอยู่ได้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะต้องหมดไปเหมือนกับน้ำที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาแช่อยู่ในตู้เย็นมันก็เย็น เวลาเอาออกจากตู้เย็นใหม่ๆ ม, มันก็จะเย็นเฉียบแต่ถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งความเย็นมันก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากจะให้มันเย็นใหม่ก็ต้องเอากลับเข้าไปในตู้เย็นใหม่หรือถ้าไม่อยากจะเอากลับเข้าตู้เย็นก็ต้องทำสิ่งที่มาทำให้ความเย็นหายไปให้มันหายไปให้ได้บุเบขาของใจเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเหตุที่ทาให้มันหายไปก็คือ กิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี่เองที่จะต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดถ้ามีปัญญาก็คือถ้าเห็นใจรักในสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาต้องการ<ม>ก็จะสามารถทำลายกิเลสตัณหาได้ถ้าเห็นว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการเป็นทุกข์<ม>ก็ไม่อยากจะได้ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขบลอมมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเรามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปเวลามันจากเราไปมันก็ทำให้เราเศร้าทำให้เราทุกข์กันพอเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้ก็สามารถหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้อุเบกขาที่ถูกกิเลสตัณหามาทาลายก็จะกลับคืนมาได้ ใจก็จะเย็นจะสงบจะมีความสุขไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไปได้เรื่อยๆถ้าสามารถกำจัดได้หมดกำจัดความอยากติเลตตันหาได้หมดใจก็จะสงบจะมีความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดใจก็จะเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาเป็นใจของพระอาหารหันตสาวกเป็นใจของพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่คือขบวนการของการ มาขัดเกลาวจิตใจให้จิตใจของพวกเราที่เป็นจิตใจของปุถุชนที่มีสิ่งสโปรกคุ้มห่ออยู่คือกิเลสตัณหาโมหะวิชาให้กลายเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการศึกษาและปฏิบัติวิธีการขัดเกลาวจิตใจจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคง ถึงแม้จะมีอุปสรรคขวางกั้นก็ไม่หวั่นไหวถ้าเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ศึกษาได้เมื่อไหร่ก็จะเข้าหาทันทีถ้าปฏิบัติได้เมื่อไหร่ก็จะปฏิบัติทันทีถ้าทาได้อย่างนี้แล้วการขัดเกาจิตใจก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและจะไปถึงขั้นสูงสุดได้ในที่สุดอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการ ขัดเกลาวจิตใจของปุถุชนให้กลายเป็นจิตใจของพระอริยเจ้าที่นำเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร <c oughs> ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกา ป, ปติ อจตังปะิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยทาสัพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโวินัสสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาธนศิลิศนิจังวุฒาปจายโนจต้า โรธรร ม, มวัฏฐานติอายุวนโนสุขังภาลามช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยอย่ารอจนเวลาเลิกแล้วค่อยมาถามเพราะจะไม่สะดวกที่จะตอบ งันอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทาง a c e บ o o k 461 YouTube 206ค่ะวิทยุออนไลน์10 o ู m 7ผู้รับฟังหน้ากุติ61รวมทั้งสิ้น745ท่านค่ะ ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะจากคุณสวริยาค่ะกราบเรียนถามเรื่องการรักษาสีนค่ะคำว่าสีขาดและสีทะลุหมายถึงอะไรคะก็รักษาไม่ครบไงเช่นดื่มสุรายามาตอนเย็นพอดีเป็นวันเกิดเพื่อนจัดเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้ให้ ก็อาไหนเป็นวันเกิดก็ลองก็ดื่มสักแก้วหนึ่งสิก็ื่ฉลองวันเกิดอันนี้ก็สินขาดไปข้อหนึ่งไม่ครบคาว่าขาดก็คือไม่ครบไม่ใช่เป็นผ้าแบบผ้าขาดบางคนคิดว่าพอขาดข้อหนึ่งก็ขาดหมดเลยไม่ก็ขาดข้อเดียวไม่ครบ5้าข้อเหลือสี่ข้อเท่านั้นเองคำถามต่อไปจากทาง inbox ค่ะ ดิฉันเป็นสะปายอยู่ในครอบครัวจีนซึ่งมีคุณแม่ของสามีอายุ88มีอาการป่วยแต่น้องสาวสามีสามคนไม่ค่อยดูแลแม้จะอยู่บ้านเดียวกันดิฉันต้องดูแลทั้งเรื่องเงินทองและนอนเฝ้าดูแลซึ่งทําให้การปฏิบัติน้อยลงดิฉันควรจะวางใจอย่างไรเพื่อให้ผ่านความเห็นแก่ตัวของลูกๆท่านไปได้และจะได้ปฏิบัติธรรมในช่วงนี้เวลานี้อย่างไรดีคะก็เคสเถงพระคุณของท่านเลย ถึงแม้ท่านไม่ได้เป็นแม่ของเราแต่ท่านก็เป็นแม่ของสามีของเราที่ให้กำเนิดสามีที่ทำให้เราได้มาพบกับสามีและได้อยู่กินอยู่กับสามีอย่างมีความสุขมาอย่างตลอดเนี่ยนะทานพระคุณของท่านก็แผ่มาถึงเราด้วยเพราะถ้าไม่มีท่านก็จะไม่มีสามีไม่มีสามีเราก็จะไม่ได้เขามาเป็นผู้คู่ครองของเรา เราต้องคิดถึงเขาเหมือนกับเขาเป็นพ่อแม่ของเราเลยพ่อแม่ของสามีของภรรยานี้เมื่อเรามาเป็นสามีภรรยากันแล้วเราต้องคิดว่าเป็นเหมือนกับเป็นพ่อแม่ของเราเราจะได้ไม่มีความรู้สึกมีข้ออ้างว่าไม่ใช่เป็นพ่อแม่เราอะไรทรานองนั้นให้คิดถึงว่าคุณของท่านแล้วก็คิดว่าเราต้องตอบแทนมุญคุณของท่านเป็นการแสดงความกตัญญูกตวเวที คนดีคนเจริญนี้เขาเขามีความกตัญญูกตวเวทีกันถ้าเรายังไม่มีความกตัญญูกตวเวทีแล้วเราจะมาเรียกตัวเราเองว่าเป็นคนดีก็ถือว่ายังไม่ไม่ถูกต้องยังขาดคุณสมบัติที่สำคัญไปคือความกตัญญูกตวเวทีคําคำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์จากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะ หากเราทาของใช้ถวายให้กับพระสงฆ์หรือทำถวายให้วัดแต่เราไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นของเราทาประมาณว่าเราฝากผู้อื่นไปถวายเราจะได้บุญเต็มใหม่เจ้าคะหรือบุญนั้นจะต้องแบ่งกับคนที่รับไปฝากคะเราได้ เ, เกินร้อยเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาชื่อเราไปติดไว้เราเอาชื่อเราไปติดไว้มันเป็นกิเลสยังเป็นของเราอยู่มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้เกินร้อยได้เพียงร้อยเดียว อย่างถ้าอยากจะได้บุญเกินร้อยต้องทําบุญแบบปิดทองหนังพระไม่ต้องให้มีใครเขารู้แล้วเราจะมีความสุขมากกว่าทําบุญปิดทองหน้าผ้าเสยคําถามต่อไปจากคุณพี่ตุ้มค่ะถ้าเราตายไปแล้วเราต้องไปรับผลกรรมที่เกิดจากเราคิดที่เป็นความคิดปรุงแต่งที่เป็นอกุศลและประมารพระสง์องค์เจ้าหรือไม่ครับอ๋อมันก็จะติดไปกับใจเรามันเป็นนิสัย ไปเกิดพบหน้าชาหน้าบางทีไปเจอพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าก็ไปปามาท่านแทนที่จะไปเคารพไปเชื่อฟังท่านก็เลยไม่ได้รับประโยชน์จากท่านท่าน mm ี้แทนเลือกเลิกปามาธพระสงองค์เจ้าจะดีกว่า mm hmm. ถึงแม้ว่าจะมีบางรูปไม่ดีไม่อะไรถ้าแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ควรที่จะไปปามาธเหมาไปหมดเห็น mm hmm. พระสงองค์เจ้าก็คิดว่าเป็นเป็นเปรตเป็นผีไปหมดน mm hmm. ควรจะเห็นว่าท่านเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าท่านเป็นสาระเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพวกเราคำถามต่อไปจากคุณสิริค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะยุคของพระศรีอริยะเมตรยัยท่านมาสอนสัตว์โลกให้พ้นทุกข์เรื่องเดียวกับพระศัสดาองค์ปัจจุบันของเราไหมเจ้าคะและพอหมดยุคพระศรีอริยพระศรีรัตนตรยัยแล้ว ต่อไปจะมีพระพุทธเจ้ามีกระสรูต้ต่อจากพระสีรัตนไกรมีใหม่เจ้าคะมีมีมาเรื่อยๆแล้วก็มาสอนธรรมะแบบเดียวกันเหมือนหมอที่จบมาจากมหาลัยแพทย์เนี่ยเอาจบมาก็มารักษาโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันหมอคนนี้เรียนจบมามารักษาก็รักษาเหมือนกันพอหมอคนนี้ตายไปหมอใหม่เอามาก็มาทํา มารักษาโรคใครใค้เจ็บเหมือนกันเพราะโรคใครใข้เจ็บมันานเดียวกันโรคของความทุกข์ใจนี้มันไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนสมัยใดมันก็ทุกกันเดียวกันเกิดในอริยสัจ ส, สี่เหมือนกันพใครเรียนจบอริยสัจ ส, สี่ก็เอามาอริยสัจ ส, สี่มาสอนเหมือนกันดังนันไม่ต่างกันเลยอาจจะต่างกันที่บารมีของแต่ละ อ, องค์อาจจะมากน้อยต่างกัน มีคนมีลูกศิษย์ลูกหามากน้อยต่างกันบางองค์อาจจะมีมากกว่าบางองค์เ<ม>พราะบารามีสร้างมาอาจจะมากน้อยต่างกันแต่บารามีที่ทำให้มาเป็นพระพุทธเจ้านี้เท่ากันแต่บารามีที่เอาธรรมะมาเผยแผ่นี้อาจจะต่างกันแม้กระทั่งสาวกก็เหมือนกันถ้าเราดูคูบาจารย์ลูกศิษย์ของหลวงปู่มัานแต่ละองค์นี้บารามีก็ไม่เท่ากัน บางคนก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายบางคนก็มีน้อยบางคนถ้าจะไม่มีใครรู้จักก็มีแต่ทั้งก็เป็นผ้าลร ห, รหนันเหมือนกันแต่บา ร, รมีทางด้านอื่นนี้มีความไม่เท่าเทียมกันคำถามต่อไปจกคุณน้ำาครื่งแก้วค่ะทิฉันนั่งภาวนาท่องคำบริกรรมไปเรื่อยไม่ลืมคำบริกรรมเลยแต่ขณะที่กำลังท่องอยู่ ไม่ได้ลืมคําบริกรรมรู้สึกเหมือนมีความฟุ้งซ่านมาแฝงอยู่อ่อนๆขนาดท่องคําบริกรรมเจ้าคะ่ะควรแก้อย่างไรเจ้าคะถ้าจิตยังไม่รวมก็อย่าเพิ่งหยุดถ้าหยุดก็แสดงว่าเราเผลอสติแล้วขาดสติอาจจะเคลิ้มหรืออาจจะหลับไปก็ได้เพราะฉะนั้นต้องบริกรรมอย่างต่อเ น, นื่องเหมือนเรานั่งสวดมนต์ น, นี่เราก็สวดไปเรื่อยๆสวดไปจนกว่าจะจบ แต่การบริกรรมนี้ก็ต้องบริกรรมไปจนกว่าจิตจะตกหลุมตกบอ่อตกเขวดิ่งเข้าสู่ความสงบแล้วมันถึงจะหยุดบริกรรมได้แต่ตอนนั้นมันจะมีความตื่นมีความรู้เบิกบานผู้ตื่นผู้โบกบานจะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นคำถามต่อไปจะคุณเอ e น g y ค่ะผู้ปฏิบัติทําส่วนใหญ่คุณมีเวลานอนกี่ชั่วโมงครับถ้าปฏิบัติแบบพระก็คืนละสี่ชั่วสี่ชั่วโมง พระพุทธเจ้าสอนให้พระนอนประมาณตอนสี่ทุ่ถึงตีสองหรือถ้าสี่ชั่วโมงไม่ไหวก็ให้เป็นห้าชั่วโมงถึงตีสามแทนนอกนั้นก็ให้เป็นเวลาปฏิบัติสำหรับพระเพราะพระไม่มีงานอย่างอื่นต้องทำก็ปฏิบัติสติไปก่อนแล้วก็สมาธิปัญญาตามมาตามลำดับตามเหตุการณ์ตามเวลาตามโอกาส คำถามต่อไปจะคุณมายุรีค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ในการนั่งสมาธิว่าปัญญาสามารถเกิดก่อนสมาธิได้ไหมคะพอรู้สึกตัวจึงกลับไปสมาธิกลับนามาส ก, การค่ะได้ปัญญาเกิดก่อนได้แต่ปัญญาที่เกิดก่อนสมาธิจะไม่มีกำลังที่จะไปฆ่ากิเลสได้ปัญญาที่เกิดก่อนสมาธิมีอยู่สองอย่างคือสุตตะมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ไดศึกษาพระธรรมคำสอนและจินตามยาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคบทบทวนค่ายควรธรรมะคาสอนที่ได้ศึกษามาไม่ให้หลงไม่ให้หลืมปัญญาสองอันนี้ยังไม่สามารถที่จะไปฆ่ากิเลสตัณหาได้ต้องเป็นปัญญาระดับที่สามคือปัญญาที่มีสมาธิเข้ามาสนับสนุนมาประกอบเป็นคู่กัน จึงเรียกว่าภาวนามย์ปัญญาต้องภาวนาให้ได้สมถะภาวนาให้ได้สมาธิก่อนพอได้สมาธิได้อุเบกขาแล้วก็เอาปัญญาที่เกิดก่อนนี้คือสุตะหรือจินตานี้มาใช้ควบคู่กับอุเบกขาจิตก็จะมีกําลังที่จะตัดกิเลสฆ่ากิเลสได้คําถามต่อไปจากคุณเรือตรีค่ะ ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องโทษของการโกงค่าเช่าให้หน่อยได้ไหมครับก็เป็นการลักทรัพย์น่ยเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเขาก็ต้องมาทวงเราทรัพย์ของเขาคืนไปทวงถ้าทวงโดยวิธีถูกกฎหมายไม่ได้เขาก็อาจจะใช้วิธีป่าเถืนก็ได้ถ้าเขามีความต้องการเจ้าทรัพย์เขาคืนเขาก็อาจจะเอานักเรงมามค่มคูมาทุบตีหรือบางทีก็ฆ่าอะไรก็มีแล้วแต่ กรณีงั้นอย่าไปลักทรัพย์ของผู้อย่าไปกงค่าเช่าของผู้เมื่อเรามีสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าก็ต้องจ่ายเขาไปถ้าไม่มีปัญญาจ่ายก็ขอค้างไว้ก่อนถ้าเขาไม่ให้ก็ยอมให้เขาทำร้ายถ้าไม่มีจริงจริงการเขาำเนินการทางกฎหมายก็ได้หรือจะใช้วิธีปาดเถื่อน ก, ก็ต้องยอมรับแต่าทายัางไงได้เมื่อเราไปกงเงินเขาแล้ว คำถามต่อไปจากคุณน้ำครึ่งแก้วค่ะถ้าภาวนาคำว่าพุทโธธรมโมสังโฆได้บุญเท่ากันไหมเจ้าคะได้เหมือนกันพุทโธอย่างเดียวก็ได้พุทโธธรมโมสังโฆก็ไดก็บุญกันที่ได้ก็คือจิตสงบได้สมาธิได้ออเบขาเหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณพี่ตุ้มค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าตัวเราเองนั้นเป็นโสดาบันอย่างเต็มตัวแล้วครับ ก็เรารู้ว่าเราเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็เปล่าเราก็รู้เองอ่ะเราเป็นโสดาบันก็ไม่เป็นมันก็รู้แบบเดียวกันโสดาบันก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อธรรมได้จะยอมตายจะไม่จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดพระโสดาบันถ้ายังยัง ยังรักษาชีวิตด้วยการทำบาปอยู่ก็ยังมาเถอวไม่เป็นพระโสดาบัน คำถามต่อไปจากคุณธิดาค่ะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือศีลค่ะโยมตั้งสัจจะในการถือศีลแปดทุกวันพระแต่ในบางครั้งเพิ่มร่วมงานเอาขนมมาวางโยมเผลอเอาขนมมารับประทานแต่พอทานไปแล้วมาได้สติแต่ก็คิดว่าศีลแปดในวันนั้นขาดก็เลยงดการถือศีลในวันนั้นแต่เวลาขณะนั้นยังไม่เลยเที่ยงถ้ากรณีนี้ยังคงรักษาศีลต่อไปไดใ้ใช่ไหมเจ้าคะ ต้องขอขมาในการขาดสติค่ะไม่เราถ้ายังไม่เลยเที่ยงก็กินได้กินขนมน ม, นมเนยต่อไปได้จนถึงเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วน่ะถึงจะกินไม่ได้แล้วถ้าเกิดเผลอไปกิน ก, ก็ขาดเป็นข้อเดียวก็อย่าไปเลิกรักษาเจ็ดข้อ ก, ก็ถือว่าเจ็ดข้อก็ยังรักษาได้อยู่ยังไม่ขาดแล้วก็ อย่าไปกินซ้ำอีกอันออนด้ขาดอันอนี้ขาดแล้วก็กินต่อไปนี้ไม่ได้ก็ให้มันขาดน้อยๆขาดเพียงคำสองคำไม่ใช่จะได้กูขาดแล้กินค่ะคาถามต่อไปจากคุณน้ำเครื่องแก้วค่ะเวลานั่งภาวนาเราจาเป็นอธิษเราจาเป็นต้องอธิษฐานไหมคะก็เวลานั่งเหมือนการอธิษฐานนั่นแหละคอธิษฐานคือความตั้งใจ ถ้าเราไม่ตั้งใจเราจะมานั่งได้ยังไงเราก็ต้องตั้งใจก่อนว่าต่อไปนี้จะนั่งสมาธินะนั่งก็อธิษฐานนะคำอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอตามภาษาพระนี่แปลว่าตั้งใจตั้งเป้าะจะทำอะไรดีนั่งสมาธิ ด, ดีไหมอ้าวดีก็นั่งพอนั่งก็ถือว่าได้ตั้งเป้าแล้วได้อธิษฐานนะ คำถามต่อไปจากคุณนิวค่ะ อ, อยากถามว่าเวลาสวดมนต์ตอนเช้าสวดบทพระปริษเลยไม่ต้องสวดบททำวัดเช้าได้หรือเปล่าเจ้าคะได้สวดบทไหนก็ได้เพราะเป้าหมายของการสวดเพื่อทำให้จิตมีสติมีความสงบเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ว่าจะต้องสวดบทไห น, นามดแล้วะนะงั้นการสวดนี้ไม่ต้องเลือกสวดไม่ต้องสวดตามที่เขาวางไว้ก็ได้ ถ้าเราใช้สวดเพื่อการเจริญสติเพื่อนั่งสมาธิเราก็เลือกบทไหนที่เราชอบแล้วก็สวดไปแล้วสวดแบบนั่งขัดสมาธิไปด้วยเลยก็ได้เพื่อเราจะได้นั่งสมาธิต่อได้เลยถ้าสวดไม่ออกเสียงได้ยิ่งดีสวดไปภายในใจได้แล้วพอเรารู้สึกอยากจะหยุดสดวดเราก็ดูลมต่อไปได้คําถามต่อไปจากคุณพี่ตุ้มค่ะ พระสามารถสะเดาะเคราะห์ให้ญาติโยมได้หรือไม่ครับข้อตัวเองยังสะเดาะไม่ได้แล้วไปสะเดาะคนอื่นได้ไหงไงข้อไก่ข้อมันนี่ไม่มีใครสะเดาะได้เพราะมันเป็นกรรมทำกรรมไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นการสะเดาะข้อนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นความหลงทาไม่ได้ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะได้ฟังหลวงพ่อเทศเรื่องแผ่เมตตาและความมีเมตตาลูกขอเรียนสอบถามเจ้าค่ะว่าถ้าเรามีความเมตตาให้แก่พวกเขาเหล่านั้นแล้วและได้ช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นแต่พวกเขาเหล่านั้นกลับด่าว่าเราเป็นคนโง่ที่ไปช่วยเหลือพวกเขาหนำซ้ำมาด่าว่าลูกไม่มีพ่อแม่ กรณีนี้ถ้าพวกเขามาขอให้ลูกช่วยเหลืออีกกราบขอคําแนะนําจากหลวงพ่อเจ้าคะ่ะว่าลูกควรจะต้องช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้อีกหรือไม่เจ้าคะก็ต้องดูเหตุผลว่าเขาเดือดร้อนจริงๆหรือไม่ถ้าก็เดือดร้อนจริงๆก็ถ้ายังช่วยได้ก็ช่วยไปคําถามต่อไปคะ่ะจากคุณนภาสอนวิญญาณกับจิตนี้ตัวเดียวกันหรือไม่คะ ตัวเดียวกันนะ่ะเพลงแต่ต่างสถานภาพเวลาอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตเวลาแยกออกจากร่างกายเราก็เรียกคุณพงษ์เยนยานคำถามจากคุณพงษ์ค่ะควรจะ ส, สวดออกเสียงหรือไม่ออกไม่ออกเสียงค่ะถ้าจะ ส, สวดเพื่อภาวนาเพื่อให้จิตสงบก็ไม่ต้องออกเสียงจะดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณแก้วค่ะ ความอิจฉาริษยาแก้โดยฝึกปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะก็แก้ด้วยความเมตตาก็ได้ไงให้เรามีเมตตาถ้าเขามีความสุขเราก็ดีใจไปกับเขาเราก็ได้แผ่เมตตาให้กับเขาไปเพราะเราอยากให้ทุกคนมีความสุขเมื่อเห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจไปกับความสุขของเขาคำถามต่อไปจากคุณน้ำขึ้นแก้วค่ะจั ก, กรวามีบานดับสลายไหมเจ้าคะเราเกิดมาจากอวิชชาใช่ไหมเจ้าคะ อันนี้คือคําถามที่พระเจ้าไม่ตอบเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญมันจะดับหรือไม่ดับมันจะอะไรมันไม่สำคัญขอให้ขอให้ความทุกข์ในใจเราดับก็พอองั้นความทุกในใจของเราดับได้ถ้าเราดับกิเลสตัณหาได้ถ้าเรามีเครื่องมือคือศีลสมาธิ ป, ปัญญาเราก็จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้ให้เราสนใจในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเราดีกว่า เรื่องของจกกักรวาลเรื่องของอะไรต่างๆนี้มันไกลเกินไปมันมันจะดับหรือไม่ดับมันก็ไม่ได้มาดับความทุกข์ในใจของเราได้คำถามต่อไปจากคุณพี่ตุ้มค่ะเราจะหลีกเลี่ยงความคิดที่เป็นอกุศลต่อพระหรือองค์เทพเจ้าต่างๆได้อย่างไรบ้างครับก็ด่าเราบ้างเสรเราไปคิดด่าคนอื่นได้ทำไมด่าเราไม่ได้哈哈เวลาจะด่าใครก็ หันเปินกลับมายิงเราบ้างอย่าไปยิงแต่คนหนึ่งยาวนิ้ ว, วชี้ออกไปช้วหนอมันกลับเข้ามาหาเราบ้างแล้วมึงหลับยังไงดีหรือเปล่าคำถามจับใจจากคุณวารูค่ะการพิจารณาสังขารจะเริ่มตอนอุปจาระสมาธิใช่ไหมคะไม่ล่ะต้องเวลาจิตเป็นปกติไม่ได้อยู่ในสมาธิอย่งอยู่ใน อยู่ในภาวะปกติไม่ได้อยู่ในอัปปนาไม่ได้อยู่ในอุปจาระเราออกมาจากจิตจากจิตที่เป็นปกติเหมือนตอนก่อนเข้าสมาธิแต่ควรควร พ, พิจารณาหลังจากออกจากสมาธิจะดีกว่าก่อนเข้าในสมาธิว่าก่อนเข้าสมาธิจิตอาจจะไม่มีอุเบกขาแต่พอออกจากสมาธิมาจิตจะมีอุเบกขา แ่ะทาให้พิจารณาธรรมที่ยากได้เช่นพิจารณาความตายได้พิจารณาภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายได้ถ้าจิตไม่มีวิเครานีพอไปพิจารณาความตายก็อาจจะเกิดความรู้สึกหดหู่ใจขึ้นมาได้แต่ถ้าออกจากสมาธิมาจะมีวิเคราใจจะเป็นกลางใจจะเฉยเฉยพอพิจารณาอะไรก็จะไม่มีอาการรู้สึกหดหู่หรืออะไรต่างๆขึ้นมา ก็สามารถพิจารณาได้นานเพราะเราต้องพิจารณานานๆให้มันจําให้มันติดอยู่ในใจของเราแค่นั้นเองคำถามต่อไปจากคุณมยุรีค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าการออกจากสมาธิที่ถูกต้องเวลานั่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งทําอย่างไรคะเราก็าให้มีสติรู้ตัวตลอดเวลาวาตอนนี้เราไม่ได้นั่งสมาธิแล้ว เ, เราเริ่มคิดปรุงแต่งแล้ว ถ้าเราต้องการปฏิบัติต่อเราก็ต้องคอยควบคุมความคิดต่อไปอย่าปล่อยให้คิดเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธไว้หรือดึงใจให้เข้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็จะเลี้ยงสติต่อไปหลังจากออกสมาธิมาไม่ใช่ทิ้งหมดเลยทิ้งสมาธิทิ้งสติแล้วก็ไปเต้นรำเต้นกาไปกินไปเดิอนอะไรอย่างนี้ก็มันก็ ได้มาเท่าไหร่ก็หมดเหมือนกันเพราเงินเดินออกปั๊บก็เอาไปเลี้ยงฉลองกันเลยไม่กี่วันก็หมดเนี่ยต้องเก็บเงินเก็บทองไว้แล้วก็ต้องหางกันเพิ่มไปจะได้เป็นเศรษฐีธรรมได้ไม่ใช่พอออกมาก็ใช้มนหมดเลยอยู่ไปอยู่วันมาเจ็ดวันออกมาขอฉลองอีกเจ็ดวัน คำถามต่อไปจากคุณภนภศร์ค่ะทำบุญแล้วต้องกรวดน้ำไหมเจ้าคะถ้าไม่ต้องแล้วเราจะแผ่ส่วนบุญตอนไหนคะาการแผ่ส่วนบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ำใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เพราะน้ำไม่ใช่เป็นตัวบุญตัวบุญคือความรู้สึกที่เราได้จากการปฏิบัติคือความสุขใจน้ำเป็นตัวอย่างของบุญคนบางคนคิดถึงบุญไม่ได้ว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างไรเขาก็เลยเปรียบเทียบ ว, ว่า คิว่ามันเป็นเหมือนน้าก็แล้วกันเราเทน้ําจากภาชนะหนึ่งไปสู่ภาชนะหนึ่งก็เหมือนเราส่งบุญจากใจหนึ่งไปสู่อ ใ, ใจหนึ่งในั่นเองนี้ใจมันเป็นนมามธรรมไม่มีรูปร่างหน้าตามเหมือนน้ําก็เลยเอาน้ํามาเป็นตัวแทนบุญที่เราถืกไปนี่คําถามต่อไปจากคุณน้ำครึ่งแก้วคะ่ะทํายังไงไม่ให้ทะนงตนเจ้าคะไม่ให้หลงตนทะนงตนเจ้าคะ่ะ พยายามคิดว่าเราเป็นผ้าขี้ริ้วที่ว่าเป็นตัดถีเราเป็นดินใครจะเหยียบใครจะย่างใครจะทำอะไรกับดินดินก็รู้สึกเฉยเฉยอย่าไปคิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่อันนั้นแหละ ค, คือความทะนงตนงความคิดมันหลอกลอเราเพราเรารวยเราเก่งเราฉลาดมันก็จะทะนงตนขึ้นมาอย่าไปคิดว่าเราเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วเป็นเหมือนอคนรับใช้เป็นแจ๋ว ถ้ามันก็จะไม่กล้าทำลงตรงใช่ไมครับคำถามต่อไปจากคุณพงศ์ค่ะบทสวดมนต์บาลีพระควรแปลด้วยระหว่างที่นั่งสวดภาวนาจําเป็นด้วยไหมคะคือถ้าแปลมันก็จะได้รู้ความหมายจะได้ปัญญาถ้าสวดโดยที่ไม่ได้แปลไม่ได้รู้ความหมายก็จะได้เพียงแต่สมาธิได้สติถ้าอยากจะได้ปัญญาก็ต้องไปอ่านคําแปลจะอ่านจะ จะสวดคำแปลก็ได้ไม่ไม่สวดภาษาบาลีก็ได้หรือจะสวดทั้งสองภาษาก็ได้แล้วแต่เราขึ้นอยู่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการปัญญาเราอาจจะใช้คำแปลสวดคำแปลไปเลยก็ได้ไม่ต้องสวดบาลีแต่ถ้าเราอยากจะรักษาบาลีไว้เพื่อไม่ให้สูญหายเราก็สวดบาลีไปกับคำแปลด้วยก็ได้หรือสวดเวลาสวดก็สวดแต่บาลีและเวลาไม่ได้สวดก็มาอ่านคาแปลที่หลังก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณสกัญญาค่ะเวลานั่งกรรมาฐานยืบหนอพองหนอบางทีรู้สึกเหมือนวูบหลับแล้วก็รู้สึกตัวได้สติมากำหนดต่อเรียนถามว่านี่คือการหลับจริงๆหรือเป็นสภาวะคะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรคะกราบขอบพระคุณค่ะก็ลุกขึ้นมาเดินแทนแทนที่จะนั่งก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแล้วก็ภาวนาแบบที่นั่งถ้าพุโทโธพุโทโธก็เดินจงกรมไปพุโทโธไป ถ้าดูลมก็เปลี่ยนมาดูเท้าแทนเวลาเดินจงกรมเพื่อที่จะได้ไม่หลับคําถามต่อไปจากคุณแก้วค่ะการให้ทานการภาวนาการแผ่เมตตาเป็นการฝึกจิตให้มีเมตตาได้ใช่ไหมคะสมมุติเราเห็นเขาเราเห็นเขาใจเราคิดรกเราก็สวดแผ่เมตตาเพื่อให้ใจเราสงบได้ไหมคะก็ลองดูซิลองสวดดูอาจจะสงบก็ได้ อาจจะไม่สงบก็ได้แล้วแต่ว่าเราถ้าไม่สงบก็ต้องสวดไปให้มันสงบถ้าเราต้องการใช้การสวดให้จิตสงบก็ต้องสวดไปจนกว่ามันจะสงบถ้ายังไม่สงบก็ต้องสวดต่อไปเหมือนกินข้าวถ้ายังไม่อิ่มก็ต้องกินไปเรื่อยๆกินไปจนความมันจะอิ่มถึงจะหยุดกินได้คําถามต่อไปค่ะจะมีวิธีใดที่จะแก้ความคิดอกุศลที่มีอยู่ในใจให้ไม่มีหรือหายไปหมดจากใจครับ ก็ต้องใช้การบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆเพราะพุโทโธนี้จะสามารถลบคำความคิดที่ไม่ดีต่างๆได้เวลามันเกิดขึ้นนาะคำถามต่อไปจากคุณต้นกล้าค่ะจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติคือเราสามารถอยู่ได้ทุกสภาวะโดยจิตจะไม่ทุกข์กับมันใช่ไหมคะใช่จิตจิตตังยศะนกรรมปฏิอโสกรรมเวาชากรรมจิตอยู่เหนือโลกธรรมแปด คืออะไรเกิดขึ้นในโลกนี้จะไม่ทำให้จิตใจหวั่นไหวสะเทือนข้อที่สองจากคุณต้นกล้าค่ะความรู้สึกสุขจากจิตไม่ทุกข์แม้จะเป็นอุเบกขาจากสมาธิเหมือนอุเบกขาจากปัญญาไหมคะและต่างกันตรงชั่วคราวกับถาวรใช่ไหมคะถูกต้องถ้าอุเบกขาด้วยปัญญามันก็จะอุเบกขาไปตลอดอุเบกขาด้วยสมาธิมันก็จะจางหายไป ถ้าไม่ได้รักษาไว้ด้วยสติหรือปัญญาคำถามต่อไปจากคุณน้ำขึ้นแก้วค่ะถ้าขณะนั่งสมาธิแล้วถอนออกมาเลยโดยลืมตาเฉยๆและไม่บริกรรมต่อปล่อยใจให้ตามไปตามอารมณ์ต่างๆกลัวกลัวจะทำอย่างนี้ถูกไหมคะกลัวจะถอนสมาธิผิดวิธีเจ้าค่ะก็ถ้าเราก็ก็ ก, ก, ก็ก็หยุดภาวนาเท่านั้นเองหยุดพุโทโธหยุดดูลง แล้วก็ลืมตาแล้วก็จะไปทำอะไรก็ไปทำไปตามเนื่อของเราต่อไปคำถามต่อไปจากคุณกหนกวันค่ะเราเคยมีปัญหากับผู้หนึ่งภายหลังต่อมาเราไม่ได้คิดโกรธแค้นเขาแล้วแต่เราแต่ใจเราไม่ขอเกี่ยวข้องไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สนใจใยดีเกี่ยวกับเขาเช่นนี้เราได้ให้อภัยหรือเปล่าคะถ้าเราไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาก็ถือว่าเราให้อภัยเขาแล้ว แต่เรไม่อยากจะเกี่ยวข้องก็เพราะว่าเรากลัวจะโดนประวัติพิศาสตร์ซ้ำรอยอ ก, ก็ได้คําถามต่อไปจะคุณยาดาค่ะอยากกราบถามพระอาจารย์ว่าถ้าวันไหนเหนื่อยและรู้สึกป่วยต้องตื่นสายเราจะใช้คําว่าสวดมนต์เช้ากรวดน้ําได้ไหมเจ้าคะไม่เข้าใจคำวา่าใช้คำว่าใช้คําว่าสวดมนต์เช้ากรวดน้ําได้ไหมเจ้าคะแม่ อันนี้ไม่เข้าใจความหมายต้องขออภัยด้วยค่ะคำถามสุดท้ายนะคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะผมไม่สะดวกทําอาหารใส่บาตแต่จะคอยหมั่นเอาวัตถุดิบเครื่องปรุงไปวางในครัวของวัดจะได้บุญไหมครับและแทนการใส่บาตได้ไหมครับไ ด, ได้เหมือนกันเป็นการให้ทานเหมือนกันทําบุญทําทานเหมือนกันเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา